จากนี้พึงตั้งใจแผ่เมตตาและอุทิศส่วนอุศลอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สวดยอดพระกันไตรปิฎกนี้ขอให้คำชูอุดหนุนคุณบิดามารดาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณญาติกาและครอบครัวของข้าพเจ้า ครูอุปชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวณและมิตรรักสนิทเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระยายมราศนายนิริยบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่สิริพุทธะอามาตชั้นจาตูมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพวัคคพม และเบื้องล่างต่าสุดตั้งแต่โลกันตมหานรกและอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบขอบจั ก, กรวาลอนันตจักรวาลคุณพระศีลัตนาไตรและเทพพยดาทั้งหลายตลอดจนทั้งอินพรหมยมยักษ์พลทันนาคาพระเพลิงพระพายพระพิรุณท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขก็ขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินพุทธังอนันตังธรรมจักกวาลังสังขังนิพพานังปัจจโยโหนตุ ยอดพระกันไตรปิฎกนี้เป็นพุทธมนตนศักดิ์ยิ่งนักไว้สำหรับสวดและภาวนาทุกเช้าค่ำเพื่อความสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาธยายอันเป็นบ่อกเกิดมหาเตชังมีเดชมากมหานุภารังมีอนุภาพมากและมีลาบยศสุขสัเสิญปราศจากทุกโศกโรคภัย อุปัตถวะอันตรายและความพินาศทั้งปวงตลอดทั้งหมู่มานร้ายและศัตรูคู่อาฆาตไม่อาจแผ่วผ่านได้อิติปิโสภควาอารหังเป็นต้นถ้าสาทยายหรือภาวนาแล้วจะนำมาซึ่งลาบยศสุขสันเสริญและปราศจากอันตรายทั้งปวงตลอดทั้งเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เป็นการเจริญพระพุทธานุสติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแดนเกิดของสมาธิอีกด้วยอารหันตังสนังกัชฌามิเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วเป็นการมอบกายถวายชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าหรือเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นตาขายเพชรคอยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตให้ปราศจากเวรัย อิติปิโสภควารูปขันโธเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วขออาราธนาบารมีธรรมของพระพุทธองค์สิงสถิตในเบญจขันธ์ของเราเพื่อให้เกิดพระไตรลักษณายานอันเป็นทางของพระนิพพานสืบต่อไปอิติปิโสภควาปัตวีธาตุสมาธิานะสัมปันโนเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนา ขออำนาจสมาธิญาณของพระพุทธองค์เป็นไปในธาตุในจักรวาลเทวโลกหรือในกามวัจระูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและในโลกอุตรภูมิขอจงมาบังเกิดในคันทสันดานของข้าพเจ้าหรือเรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาอันเป็นบ่อเกิดแห่งรูปประชานอรู ป, ปรชานอภินยาเป็นการเจริญวิปัสสนา อันเป็นบ่อเกิดแห่งมรรคผลนิพพานเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงกุศลาธรรมมาอิติปิโสภคะวาเป็นต้นเป็นการสาธยายหัวใจพระวินัยปิดกหัวใจพระสุตันตปิดกหัวใจพระอภิธรรมปิดกและเป็นหัวใจของพระเจ้าห้าร้อยชาติพระเจ้าสิทชาติและหัวใจอิติปิโสตลอดทั้งหัวใจอื่นๆอีกเป็นจานวนมากเมื่อภาวนาแล้ว จะนำลาบยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งอายุวันนะสุขภล ะ, ระและจะป้องกันสัพภัยต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนและบุตรหลานสืบต่อไปอินทษาวังมหาอินทสาวังเป็นต้นเมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วมีทั้งอำนาจตบะเดชะความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นของจริงแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนอย่างแน่นอนอย่าสงสัยการรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่อาอนิสง ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศลซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและติดตามวิญญาณไปทุกภพทุกชาติด้วยฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายจงจเจริญภาวนายอดพระกันไตรปิฎกทุกเช้าค่ำเถิดจะบังเกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัว ขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานครันกษะเสมสันแสนสุขสิ้นทุกภัย